ก็เป็นการแนะนําในการจะเลยพระกรรฐานสําหรับกรรมฐานที่ทําในบรรดาญาโยมพุทธบริษัทได้ไิสู่ชั้นบรรเลทุกองค์โปรดทราบว่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อต้องการอย่างอ่อนที่สุดคือการบายภูมิคิดว่าถ้าเราทําแล้วกรรมฐานจะช่วยเราไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิด เ, เ, เป็นสุรกายไม่เกิดเป็นสติฉัน นี่ถือว่าผลอย่างต่ําถ้าผลอย่างสูงสุดก็ต้องการานิพพานคือว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจักต่อไปถ้าจะถามว่าถ้าปฏิบัติกรรมฐานได้อย่างอ่อนจะมีผลเป็นไปการใดถ้ากรรมฐานได้ปฏิบัติได้อย่างอ่อนๆถ้าจิตเราชินเวลาที่ก่อนจะตาย จิตนึกถึงความดีคำว่ากรรมาฐานเนี่ยเป็นการสร้างกำลังใจให้นึกถึงความดีความดีที่เราจะนึกถึงก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าถ้าไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงพระพุทธรูป 2. พระธรรมคำสั่งสอนสามเราสงสี่ทานบารมีทางการให้ก็ความว่าการนึกถึงจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าเวลานั้นจิตใจขอเรานึกถึงว่านึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีนึกถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ดีนึกถึงบวชสวดมนต์หรือว่าเทศกันใดกําหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งก็ดีหรือว่านึกถึงวัตถุทานการให้ก็ตามที่เคยใส่บาตรบ้างเคยถวายกับพระบ้างเกิดเคยให้ทานเกิคนบ้างเคยให้ทานกษัตริย์บ้าง อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะมีบาปมากแสนมากมาในกายก่อนแต่ว่าบาปนั้นถ้าไม่ไปนอนดานจริยกรรมอย่างนี้คนนั้นตายแล้วไม่ลงนรกแก่ถ้าบุญช่วยแต่ว่าถ้าไปสวรรค์แล้วหมดบุญบา ร, รมีตามที่กล่าวมาแล้วก็ต้องลงนรกนี่ถือว่าเป็นกาลังใจอย่างอ่อน ถ้าปฏิบัติได้เพียงเข้าเข้าเขตขอุณปนิภานที่เรียกว่ามารโสดาบันด้ว <c> ย <oughs> กำลังใจของท่านบุไดเข้าถึงมระโสดาบันท่านบอกว่าบาปเก่าๆ ท, ทั้งหมดที่ไม่ใช่อนันตเรียกรรมไม่สามารถจะลงผลผลอาจจมาไม่สามารถจะลงโทษทุกชาติที่เรียกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เกิดเป็นสัตว์นรก ไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสุรกายไม่เกิดเป็นสัตว์ดิิชานท่านนี้เพราะว่าเข้าเขตที่ผ่านเมื่อวานนี้พูดเส้นได้แบบโสดาบันวันนี้ก็มาไล่เบียการปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบันเราจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นไม่สำคัญแต่แ จ, จ้งตั้งใจปฏิบัติการท่านเป็นโสดาบันจริงๆท่านก็ไม่มีอะไรมาก เริ่มว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยจะมีสินบริสุทธิ์ต้องจําข้อนี้เมื่อพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยมีมีปัญญาเล็กน้อยก็ใช้การท่านไม่ต้องหักโหมอันดับแรกการทรงสมาธิก็ตั้งใจพยายามฝึกสมาธิให้ทรงตัวมันอาจจะทรงตัวไม่นานก็ไม่เป็นไร การฝึกสมาธิก็ไม่จำเป็นต้องใช้ลมแนบนิ่งสนิทคือว่าไม่ต้องป ร, รงารกพื้นชานเสมอไปเอากันแค่ว่าขณะที่ทำอยู่มีจิตใจเป็นสุขใช้ได้การทรงสมาธิอันดับแรกก็ใช้ลมให้ใจเขาออกนำทางเลมให้ใจเขาออกที่เรียกหรือที่เรีย ว, ว่าอาณาลายนุตตติเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมฐานสี่สิบกอง เป็นกองที่หนึ่งและเป็นกองนําจริงๆด้วยว่านําหน้าถ้าปฏิบัติกรมกรมฐานที่สามทีเก้ากองถ้าขาดอนาปานเลยคือว่าขาดรู้ลมหายใจเข้าออกกรรมฐานกองนั้นจะเป็นสมาธิและจะเป็นฌานยากอันดับแรกแล้วก็ใช้กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก่อนการรู้ลมหายใจเข้าออกที่เป็นการป้องกันจิตฟุ้งซ่านด้วย หลังจากนั้นก็ น, นึกถึงพระพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าพุทธาทุตติให้ใจเข้าก็ตามให้ใจออกก็ตามถ้าภาวนาวคำภาวนาไี้ตามใจชอบจะ่ภาวนาว่ายังไงก็ได้แต่ว่าถ้าฝึกใหม่ๆโดยทีท่โบราณอาจารย์ท่านใช้กันใช้คำภาวนาว่าพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธ ทำอย่างนี้ถ้าบาังเอิญเผลอไปก็เริ่มต้นใหม่ก็เป็นของธรรมดาบางทีเราคิดว่าในช่วงระยะเวลาสามนาทีเราจะรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกรู้คำภาวนาจะไม่ยอมไม่จีคลาดไปไหนแต่จริงๆแล้วอาจจะบังคับมันไม่อยู่มันจะนึกถึงโนดบางนีบางขมาแทนที่อันนี้เป็นของธรรมดาไมใหม่ เนีถ้าจะทํากันให้ดีจริงๆก็ขอขึ้นพุทธานุปติไปเลยก็นึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุทโดด้วยให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกวโทพร้อมกันนั่นก็นึกถึงภาพพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปรากฏตามกําลังใจที่เราจะนึกถึงได้เถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าก็มีหลายๆคนจะบอกว่าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไง ถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งที่เรามีความชอบใจพุทธรูปเขาทำหลายปางปางังทางหลายแบบเราชอบใจองค์ไหนที่วัดไหนก็ได้เหมือนกันหมดขึ้นเชื่อพระพุทธรูปเป็นองค์แทนสมเด็จตุส ม, สมารพระเจ้าเหมือนกันเหมือนกันทุกองค์ก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธเจ้าออกตักวโทแต่ถ้าบังเอิญ นึกถึงอยู่แล้วภาพเลือนจากใจแล้วก็ลืมตาถ้าพระพรุทธเจ้นั้นอยู่ใกล้ๆลืมตาดูใหม่จับภาพไปจิตได้ทรงตัวตอนนี้ไปแล้วก็คิดถึงกําลังใจของเราว่าเรามีความเคารพเป็นพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงไอ้นั่นหมายความวัวนนัยยามโบติที่เราไม่ใช้เวลาทําสมาธิบางครั้งก็นึกดูใจเราเองว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริง ถ้าความมั่นใจมีจริงเคารพแน่นอนก็ถือว่าเราเข้าถึงไตรสนาคมได้คือเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนพการเคารพพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็ถือว่าเคารพพระธรรมด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนธรรมนําพระธรรมาสอนเราเราจะรู้จักเราจะเคารพพระพเจ้าได้ก็ว่าอาศัยพระธรรมคํา ส, สอนสอนท่าน ดยงนัการนึกถึงพระพุทธเจ้าชื่อียบไปกัการนึกถึงพระธรรมด้วยการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เืียบไปกัการยอมรับนับถือพระธรรมด้วยตอนนี้ไปสำหรับพระสงค์พระสงฆ์พระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องกันในเมื่อมีพระพุทธเจ้าแล้วจึงมีพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้นําพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาสอนเรานี่การที่เราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้เพราะพระสงฆ์นํามาถ้าเราไม่ยอมรับนับถือพระสงฆ์ เราก็ไม่เชื่อธรรมะที่ต่างสอนกระรองความว่าเท่าเราเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ถือว่ายอมรับนับถือพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งของผู้คนที่จะเป็นมระโสดาบันคนที่เป็นมระโสดาบันจริงๆเขามีความรู้สึกอย่างนี้คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความจริงใจ ตัวอย่างอย่างที่เทศนาวันซืนอนะมัง <c oughs> ้งพระท้าก่อนแด้มอกว่าอย่างสุ ป, ปาพุทธากุธิที่เป็นขอทานน่ะเป็นโูกเรือนด้วยวันนั้นไปขอทานก็ไปพบพระพุทธเจ้าเทศขวางทางอยู่คิดว่ามีคนเข้ามาฟังไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยู่องค์เดียวแต่เนื้อแท้จริงๆพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าวันพวกนีสุปปาภาพุทธากุธิขอทานคนนี้ ผู้ที่แวะโลกเรือนจะเป็นเบโสดาบันฉันจึงไปตั้งตั้งใจไปขวางทางทางที่เธอจะผ่านไปในเมื่อพระเจ้าทรงนั่งที่ไหนก็มีคนไปที่นั่นไปฟังเทศคนเขาไปถึงก่อนพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศก่อนแต่ว่าข้อความของจุดที่จะเทศกระบสุปรามาทีสุปราพุทธกติอวัชิหลัง ต่อมาเมื่อสุปปาพุทธกุติเดินไปถึงตรงนั้นเห็นพระพุทธเจ้ากําลังเทศคนมากก็เกิดความเรื่มใสในองค์สมเด็จพระพุทธมีพระทาสนั่งอยู่เขานั่งไกลๆจากคนเขานั่งอยู่ก็เป็นโรกเรื้อนเกรงเขายัางองเกลียดแก่เป็นขอทานด้วยแต่งตัวไม่สวยเกรงเขายัางองเกียดเมื่อนั่งฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศจบท่านสุปปพุทธกุติก็เป็นประโสดาบัน หลังจากั้นพระเจ้าเลิกเทศเสด็จ ก, กลับชจ้บ้านที่ฟังเทศก็กลับสุทูปาพระพุทธกุฏิเพรานั้นก็ไม่ไปขอทานนำกลับนั้นกันในเมื่อมาถึงบ้านในเวลานอนกลางคืนพักผ่อนหายเหนื่อยก็มีความปลื้มใจในตัวเองว่าวันนี้ได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจิตไดยอมรับมาเสีพระพุทธเจ้า ก็ยอมรับต่อถือพระเจ้าแนี่ฟังเทศเชื่อเทศก็ยอมรับต้อถือว่าทำด้วยก็นึกในใจว่าเราเป็นขอทานด้วยแล้วก็เป็นโลกเรือนด้วยเราฟังเทศจากพระพุทธเจ้าเป็นแค่ครึ่งจบท่านเทศมาก่อนอย่างนี้เราเป็นระโสถดาบันท่าพระพุทธเจ้าทรงทราบจะทรงดีใจมากข้าข้อแก่ที่ไม่เคยเรียนเพราะเรื่องพระศาสนา แก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าสมันมีกําลังคิศจุฬาลัยสูงส่งมากใครนึกอะไรก็รู้แต่ก็เป็นผลดีกับลูกเราจรึงตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้กินข้าวเช้าแล้วจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบภูณิภองคสงทราบว่าเราได้เป็นประโสดาบันขั้นเดินไปในระหว่างทางพระอินทราบเข้าก็อยากจะทดลองความกินพระอินท่านเป็นประโสดาบันเวลานั้น อยาจะทดลองสุปปาพุทธากติว่าจะเป็นระโสดาบันจริงหรือไม่จริงก็ลอยมาฝังหน้ามาลอยฝังหน้าแสดงองค์พระพินทุกอย่างครบถ้วนตามที่คนรู้จักเขารู้จักว่าพิณสีเขียวทั้งแตเขียวตามมีมังกรมังกตามมีเครื่องประดับก็ประดับตามในเมื่อบาขวางแล้วก็ท่านก็ถามว่าสุปปาพุทธากติเธอจะไปไหน นต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็ต้องเรียกว่าท่านสุปาปพุทธะขี่เรือนจะไปไหนกุฏินี้ก็แปลโลกเรือนท่สุ ป, ปพาพุทธะกุฏิก็บอกว่าฉันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอิน์ก็ถามว่าเธอจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทําไมท่านสุปาพุทธทปปะทกุฏิก็บอกว่าเมื่อวานนี้เราฟังเทศจากพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบเราเป็นบระโสดาบัน วันนี้จะไปกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าเราเป็นะโสดาบันแล้วคือขอทานและเป็นโรกเรือนด้วยที่พระองค์ทรงโปรดได้เป็นระโสดาบันตัวเองก็อยากจะลองท่านสุปภาพุทธกุฏิท่านตั้งใจมาลองท่าเลยบอกว่าสุปภาพุทธเวลานี้เธอมีโรคเรือนร่างกายหน้ารังเกียจไปที่รังเกียจเขาสังคมและก็ประการที่สองเธอเป็นคนจนคือจนในทรัพย์ถินต้องขอทานกิน แต่ว่าถ้าเธอจะพูดตามที่เราพูดจะพูดเฉยๆโดยไม่ตั้งใจก็ไม่ว่าให้พูดตามนิดหน่อยก็แล้วกันพูดตามที่บอกไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรฉันจะบันดาลให้ร่างกายของเธอสวยคือขายจะเร่ำรวยมีร่างกายรูปร่างหน้าตาสวยผิวพรรณสวยด้วยและบริการที่สองจะบันดาลทรัพย์ให้ตกจากอากาศให้เธอเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้ ท่านสุปาพุทธก็ถามว่าใจพูดเรียกว่ายัางไงพระอินก็บอกว่าเธอพูดว่าอย่างนี้นะว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พูดแค่นี้ไม่ต้องตั้งใจพูดก็ได้พูดเฉยๆถ้าเธอพูดได้ฉันก็จะบรรดาลตามที่บอกมาแล้วให้เธอเป็นคนสวยหมดลูกเรือนแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีในวันนี้ ท่านสุภาพุทธะฟังนั้นก็ชี้มือบอกพระอินท์ถอยจนงถอยไปเธอเข้าท่านเข้าใจว่าเราเป็นคนจ น, น่นความจริงเราจนจนเฉพาะโลกยะทรัพย์แต่อริยทรัพย์เรามีมากมายจงถอยไปเวลาที่เราเป็นประโซดาบัญจะให้ประมารถพระไตรสถงางควมแบบนั้นเราทำไม่ได้พระอินก็มีความมั่นใจว่าท่านสุภาพุทธะกุฎิท่านเป็นประโสดาบันแน่ก็หายไป กรอาความว่าคนที่จะเป็นประโสดาบันจริงๆก็ต้องมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์สําหรับพระสงฆ์ขอยกยอดไว้ให้พระอริยสงฆ์ท่านเพราะว่าพระที่บวชธรรมดาเราไม่แน่ใจนักถ้ายังไม่ถึงประโสดาบันขึ้นไปเราแน่ใจไม่ได้บางทีร่างกายท่านเป็นสงที่ใจท่านยังไม่ไปสง์ก็ได้ ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าไปสงแต่มือของท่านจะไม่ไปสงก็ได้มือไปหยิ บ, บทรัพย์สมบหลักเข้ามาหยิ บ, บทรัพย์ของสงมาเป็นของตัวที่หมดความเป็นสงจะรวมความว่าเราถือว่าเรายอมรับนับถือตั้งแต่พระอริยเจ้าขึ้นไปหมดเรื่องทั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านไม่ผิด <c oughs> นี่ขอบอนาญาตโยงบริษัททุกคนตั้งใจตามนี้ตอนนี้การจะนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์นี่ต้องใช้ปัญญา คือต้องยอมรับรับถือด้วยปัญญาไม่ใช่สอดส่ว่ายอมรับนับถือภาวนาเฉยเฉยแล้วกับนึกถึงภาพพระพุทธรูปถ้าภาวนาไปจนถ้าภาพร พ, พระพุทธรูปติดตาติดใจอย่างนี้ก็ยังไม่แน่นักว่าจะเชื่อพระพุทธเจ้าจริงเพราะว่าถ้าสมาธิคลายตัวเมื่อไรกําลังใจคลายตัวลงจากอกุศล อกุศลเข้าครองใจอาจจะลืมพระพุทธเจ้าเช่นก็ได้อย่างมบเทวทัตถ้าเป็นฌานโลกียฉะนั้นก่อนที่ยอมรับต้อถือด้วยความจริงใจก็ใช้ปัญญาว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดมาท่านมีมาแล้วมีอะไร ม, มีอะไรบ้างที่ทําให้เรามีความสุขเรามองเห็นอื่นไม่ได้ก็ดูสินที่ทรงแนะนําอย่างที่ได้บอกว่าพุทธังสนังกระชามิข้าปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเปรตี่พิง ท่านก็บอกว่าถ้าญาติโยมต้องการให้ธรรมาเป็นที่พึ่งถ้าปฏิบัติตามนี้นะถ้าปฏิบัติตามนี้ได้เป็นที่พึ่งได้ปฏิบัติตามนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งไม่ได้ท่านก็บอกว่าปานาติปาตาเวรมณีเป็นต้นว่าถ้าต้องการให้ธรรมาเป็นที่พึง่งจริงก็หนึ่งจงยาฆ่าสัดสองจงย่าลักทรัพย์สามจงย่าประพฤติผิดในการมแล้วก็สี่จงย่าพูดมมสาวาด ห้าจงยาดึงโซรามีไรถ้าเราจะมองไปจริงๆเห็นห้าข้อนี้เป็นปัจจัยเกิดความสุขถ้าเราเป็นคนมีใจโหดร้ายขาดไม่ตาปรานีลุกรานคนลุกรานสัตว์เขาก็เป็นเขาเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่มีความสุขถ้าไปกโมยของของใครเขาเข้าเขาก็เป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่มีความสุข ถ้าไปยื้อแย่งความรักของเขาเขาก็เป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่มีความสุขถ้าไปโกหกเขาเขาเกลียดเราเราก็ไม่มีความสุขการดื่มสุราไม่ไร ท, ทำสติสําห้ยั่ยยัให้ให้ฟันเฟือนก็มีโทษต้องโทษทางกฎหมายบ้างต้องโทษเพราะมีโรคมากบ้างเสียทรัพย์สินบ้างถูกเหยียดยามบ้างไม่มีอะไรดีจะรวมความมาสิ่งห้าประการที่พระเจ้าทรงแนะนํามาเป็นส่วนเป็นของดี ดังทั้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยรสงฆ์จริงก็ดูกันดี่สินห้าแล้วก็ดูว่าท่านดีไม่ดีข้อสินห้าของท่านมันดีเป็นปัจจัยเราเกิดความสุขเรายอมรับนับถือได้เนี่เป็นข้อที่หนึ่งทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะนี่ปฏิบัติได้แล้วก็มึงในมึงในสามของพระโสดาบันเราได้แหละไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยรสงฆ์ต่อไปข้อดี่สอก็นึกถึงศีล สินห้ามื่อกี้เประโสดาบันอย่างหยากไม่แค่ศินห้าว่าศินห้าที่เรารักษาอยู่เราทำได้หมดทุกอย่างรัก <c> ษ <oughs> าได้หมดทุกอย่างถ้ายังก็จงทราบว่าการจะส่งสินห้าบริสุทธิ์จริงๆก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างเข้าควบคุมใจถ้ามีคุณธรรมสองอย่างเข้าควบคุมใจเราสินบริสุทธิ์แน่คุณธรรมสองอย่างก็คือหนึ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสาร คนถ้าเรารักก so so so so so ็ดีเราสงสารก็ด so ีเราฆ่าเขาไม่ได้เราทำร้ายเขาไม่ได้ได้แม้แต่คนหรือสัตว์ถ้าเรามีความรักมีความสงสารในบุคคลคนนั้นเราก็ขโมยของเขาไม่ได้ถ้าเรามีความรักความสงสารในเขาเราก็ละเมิดไม่ผ่านันพันยาสามีเขาไม่ได้ถ้าเรามีความรักมีความสงสารแล้วก็โกหกไม่ได้ ถ้าเรามีความรักมีุงสารคนที่บ้านของเราและตัวเราเองแล้วก็ดื่มสุรามี ไ, ไม่ได้รวมความว่าถ้าเราจะทรงสินให้บริสุทธิ์จริงๆก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างประจาใจคือหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารรวมความว่าสาหรับทินห้าทิบรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะคิดว่าปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนต้องจะบัดนี้ไปเอานี้ก็แล้วกัน ตัวไหนถ้าทำได้อย่าให้มันขาดตลอดชีวิตและก็สิกขาบทใดยับกครองอยู่บ้างก็มีการน้อมตาหวังว่าจะไม่ยอมให้บกครองเลยอย่างนี้จริงๆตั้งใจไว้นจริงก็ไม่เกินสามเดือนสินทุกสิกขาบทจะครบถ้วนในเมื่อทุกคนยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในวิธธรรมประสงค์ด้วยและปฏิบัติตนมีสินห้าบริสุทธ หลังจากนั้นไปก็คิดถึงความตายว่าจากนี้ไปร่างกายของเรามันต้องตายแต่ว่าการตายคราวนี้ของเราอย่างเร็วที่สุดเราจะไปสวรรค์อย่างกลางเราก็อาจจะไปพมมุทธมรรคอย่างดีที่สุดไปถึงนิพพานตรงความว่าถ้าคนยอมรับต้อถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ได้มีสินห้าเป็นชนได้ก็ถือว่าเป็นคนนั้นไม่ลืมความตาย อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำบอกว่าคุณธธรรมโสดาบันมีแค่นี้นะถ้าทำได้อย่างนี้เป็นระโสดาบันนี่ตามตามแบบ <c oughs> ถ้าแตมตามแนวปฏิบัติจริงๆขณะที่ปฏิบัติมีความยอมรับก็ถือตามนี้ด้วยแล้วก็ตั้งใจเจริญสมาธิด้วยทำจิตให้สงบัว <c oughs> เมื่อสมาธิดีขึ้นปัญญาการเชื่อวพระทธเจ้าปัญญาการคลองสินดีขึ้นละเอียดขึ้นเวลานั้นจิตจะมีความต้องการจุดเดียวคือนิพพานจิตมีความรักพระนิพพานเป็นที่สุดอยากจะประนิพพานแห่งเดียวอย่างนี้ถือว่าความเป็นมรรคดาบันของท่าในใกล้เข้ามาเต็ทีโยแค่ไม่อึ้มเอื้อ ม, อ ม, อ ม, อมนั่นหมายความว่าเวลานี้อารมณ์ใจของโคตรปูญานระหว่างโลกิยะกับโลกตระ จะเข้าไปโสดาบันเพราะาลังใจขอ า, าโสดาบันเข้าถึงจิตอยาจะเย็นลงทุกอย่างถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าความเร่าร้อนอาจจะมีอยู่บ้างเพราะยังทำลายกิเลสไม่ได้โสดาบันยังมีความรักระหว่างเพศยังแต่งงานได้ยังมีความต้องการความร่ำรวยได้โสดาบันยังมีความโกรธโสดาบันยังมีความหลงแต่ว่าทุกอย่างในขอบเขตของศีล อย่างนั้นกำลังใจของพรโสดาบันเรียกว่าเรีว่าทีา่กล่าวว่าอารมณ์ธรรมดาเกิดขึ้นนั่นคือจิตมันเย็นลงถ้าใครเขานินทาว่าร้ายเราถ้ามากมากอาจจะโกรธแต่ถ้าเบาเบาเบาน้อยครั้งอาจจะไม่โกรธจิตจะถือว่าเรื่องธรรมดาถ้าแค่น่าหน้าเข้าอาจจะโกรธถ้าโกรธประเดี๋ยวเดียวก็หายนี่ก็ลงพระโสดาบันอย่างความรักเกิดขึ้นจต่ความรักจะตรงมีนะว่าเระหว่างเพศเขาไม่ห้าม แต่ก็อยู่ในขอบเขตเ้าสินห้าความอยากรวยอยากจะก็ต้องมีอยากจะรวยแต่ไม่รักไม่ขโมยใครอยู่ในขอบเขตเจ้าสินห้าความโกรธมีจะไม่ฆ่าใครให้ตายอยู่ในขอบเขตเจงาสินห้าความหลงในร่างกายมีหลงในทรัพย์สินมีแต่ก็อยู่ในขอบเขตเจ้าสินห้าไม่รักไม่ขโมยไม่แย่งแย่งใครเรื่อความว่าวันนี้แนะนำขั้นต้นของพระนิพพานคือพระโสดาบัน ตอนนี้ไปก็ขอแนะนําในการเจริญกรรมฐานได้มโนยยทธิวันนี้คนใหม่ไม่มีแล้วมัง้งก่อนที่จะเจริญกรรมฐานของบรรดาญาโยมพุทธบริ ษ, ษัทตัดชิงใจตามแบบอริยสัจก่อนให้ไข่ควรตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมานี่เรามีความสุขก็มีความทุกขทุกคนจะใช้ปัญญาแล้วเห็นว่ามีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีความสุข ความหิวทุกความกระหายทุกความหนาวเกินไปร้อนเกินไปทุกความป่วยไข้ไม่สบายทุกความตาถนาไม่เคยสมหวังทุกความพลักพรากจาของดัง ข, ง, ขงของรักของเจ้าใจทุกความตายจะเข้ามาถึงก็ทุกในเมื่อเกิดมาเป็นคนมันต้องทุกอย่างนี้คิดไปแล้วคิดต่อไปว่าเราจะเกิดทําไมที่ชาติที่เราเกิดมาสภาพอย่างนี้มันก็ปรากฏ ในเมื่อการก่เกิดเป็นคนเป็นทุกข์เราก็เลิกเกิดเป็นคนตัดชินใจว่าตั้บัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เลิกกันทีไม่เลิกใจความเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดานางฟ้าเทพธิดาก็ดูต่อไปเทวดาก็ดีดาวฟ้าก็ดีพระก็ดีมีความสุขจริงท่านพวกนี้ไม่มีความทุกข์แต่แต่ว่ายังไม่ไม่สิ้นหาการของความทุกข์ นั่นคือถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องลงมาเกิดใหม่อย่างการทุกคนที่มานั่งพระทุกองคนทุกคนก็เหมือนกันที่นั่งที่นี่ไม่เคยเกิดเป็นเทวดาไม่เคยเกิดเนนางฟ้าไม่เคยเกิดเป็นพระอะไรที่จะไม่มีมีทุกคนแต่เมื่อหมดหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เราก็เลยตัดสินใจเลิกกันขึ้นชีว่าการเกิดเป็นมนุษย์เลิกกันตำบัตินี้เป็นต้นไปถ้าชีวิตนี้มันตายเมื่อไรเขาไปนิพพานจุดเดียว ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้อย่างนี้ทุกวันนะ่ะเช้านึกตื่นใหม่ๆนึกถึงหน่อยหนะึ่งก่อนจะหลับตาวินใจหน่อยหนะึ่งอย่างนี้จะตายเมื่อไหร่ปณิพันธ์มานั้นก็ะจะเป็นอรหันต์อย่างชาบอรหันต์ก่อนตายไม่กี่นาทีเดี่ยได้วิธีปฏิบัติก็ทุกคนกําหนดรู้ลวงไม่ใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้านึกตามะนะมะหายใจออกนึกตามะพะทะ อันดับแรกก็ต้องได้ทิกุยายก่อนคำว่าทิกุยายคือความรู้สึกของใจไม่ใช่งตาเป็นทิพย์ใจทิพย์เือถ้ารู้กับความรู้สึกของใจเกิดขึ้นอย่างเมื่อไรให้เชื่อกำลังใจครัง้งแรกกันทีเพราะว่าในตอนนั้นจะมีครูเขา้าไปแนะนำคือว่าอีกประเดี๋ยวหนึ่งมิสมาทานเสร็จทุกคนก็จะเข้าที่ปฏิบัติ เวลานั้นครูผู้แนะนำจะแนะนำให้ภาวนาโชเาคเก่าเข้าใจเข้านึนกวณนนะมะเจาจร อ, อาา่อาทะเพราะได้เวลาพอสมควรเขาก็จะเข้าไปแนะนำตอนที่มีคนเข้าไปแนะนำนั่นเขาบรรดาญาโยมบริษัททุกคนเลิกภาวนาเลิกกำหนดรู้หรืไม่ใจเขาออกตั้งใจฟังเสียงผู้แนะนำเขาจะแนะนำเป็นธรรมะได้ด้านกิเลส ขณะที่ฟังเสียงเขาอยู่เวลานั้นจิตใจของท่านจะเป็นทิพย์เือจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตหยุดจากกิเลสนิดหนึ่งอารมณ์ความบป็นทิพย์ก็เกิดเมื่ออารมณ์ความบป็นทิพย์มันเกิดทีด่จะเกิดที่ใจให้เชื่อความรู้สึกของใจขั้งแรกถ้าคราแนะนําไปตั้งใจฟังไปจิตห่างกิเลสห่างกิเลสมากขึ้นมาขึ้นจิตก็เป็นทิพย์ถ้าก็าถามว่าเวลานี้มีความรู้สึ ก, กมีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบาง ก็ตอบเขาตามความรู้สึกว่ามีหรือไม่มีถ้ามีตอบทันทีอย่าสงสัยไม่ต้องโกหกผิดถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่มีไม่มีความรู้สึกแล้วถามว่าท่านอยู่ข้างนาเป็นผูน้หญิงหรือผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาถามว่าแต่งตัวท่านวันนั้นแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามความรู้สึกนั้นนี่ถ้าได้ทิพยญาาอย่างอ่อนจะมีแต่ความรู้สึกทางจิตไม่เห็นภาพ ถ้าได้ทิกพยานอย่างกลางมีความรู้สึกของจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนะักถ้าได้ทิกพยานอย่างสูงรายละเอียดจะมีความรู้สึกของจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากสําหรับคนที่ได้แล้วไม่เวลานั่งเข้าไปคอยครูพุ่นนาท่องเที่ยววันิพพตต่างๆอันดับแรกใครตัดสินใจการนี่ก็แล้วคิดว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกถ้าร่างกายนี้ตายเมื่ไรเขปณิพันธ์จุดเดียว ต่อจากนั้นก็กำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกภาวนาบ้างภาวานาติดตามไปนั้นนึกถึงพระรูปพระชนม์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านที่เคยเห็นแล้วให้ชัดเจนแจ่มใสแต่งกําลังที่จะบังเห็นเล่าใจไปตั้งวิธีพันคือประโยชน์วิธีพันตรงถ้าเวลาที่มีครูเข้ามาแนะนําเวลานั้นทุกคนจะมีสภาพจิตแจ่มใสามากจะมีการเข้าตัวและเข้าใจทุกอย่างอ ร, ร, รยายามัญญาญาโยงพระธรรมสัจทุกคน เวลานี้ก็ถึงเวลาแล้วของญาติโยมทั้งหมดฐานหน้าวตางพุทธรูล